รู้สึกถึงความร้อนที่กลั่วปนไปกับลมหายใจอุณหภูมิที่ขึ้นสูงในร่างนั้นเองปรุงให้ลมหายใจกลายเป็นลมร้อนในทะเลทรายไปได้แต่ก็แปลกดีพอนึกเล่นๆว่าลมหายใจเหมือนลมร้อนในทะเลทราย <c oughs> ก็เห็นตามจริงว่าลมหายใจร้อนกว่าปกติส่วนดวงจิตกลับสงบลงได้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 เพียงใจฉันยอมรับตามจริงได้ว่าลมหายใจยามไข่เป็นของร้อนโดยที่จิตไม่อยากให้มันหายร้อนตัวของจิตเองก็เหมือนสบายไปครึ่งหนึ่งแม้ยังต้องถูกบีบไว้ด้วยสภาพทุกข์ทางกายไม่น่าชอบใจก็ยังสงบได้ด้วยลักษณะเห็นตามจริงไม่วิ่งหนีไม่ผลักไสปักหลักมั่นอยู่ตรงที่ที่ทถูกบังคับให้เผชิญกับความจริงนั่นแหละ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 ฉันยังไม่เคยสังเกตมาก่อนว่าลมหายใจมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นไค้งวดนี้จึงไม่ควรให้เสียเที่ยวเปล่าฉันตั้งใจว่าให้ทรมานอย่างไรก็จะลองติดตามรู้ลมไปเรื่อยๆดูซิว่าจะเก็บตกหรือได้เกร็ดความรู้สายสัมพันธ์ระหว่างลมหายใจกับกายที่ทรงไข่อยู่มากน้อยเพียงใด